การปฏิบัติเพิ่มขึ้นอีกคือพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงในตัวตนของเราอะไรบ้างไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรบ้าง รูปรูปปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงรูปร่างกายของคนเราเนี่ยอันประกอบด้วยธาตุสีนี่ไม่เที่ยงธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นของไม่เที่ยงเกิด ขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปเราจะเห็นได้ชัดเลยแต่ก่อนเราเป็นเด็กต่อมาเราเป็นหนุ่มเป็นสาวต่อมาแล้วก็มีอายุมากขึ้นแก่ขึ้นสี่ส6บห้าสปีเจสบปีแก่ขึ้ น, 40, 50, 60, นจะลุกจะเดินจะ ไปนั่นมานี่ก็ไม่สะดวกมันไใบนุม่มนี่แหละมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงมันก็อยู่อย่างนั้นตลอดไปถ้าเป็นเด็กก็เป็นเด็กอย่างนั้นตลอดไปไม่ต้องเป็นผู้ใหญ่แต่นี่มันไม่เที่ยงมันก็บุนไปเรื่อยๆไปหาความแก่ ในที่สุดก็แตกสลายตายไปลูกเป็นของไม่เที่ยงให้น้องเข้ามาที่ตัวเราตัวเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนกันไม่ใช่เป็นที่คนอื่นเป็นที่คนอื่นก็เป็นแต่ที่เราตัวเรานี่เป็นนี่มันก็เห็นชัดชัดเลย ฝันก็หลุดผมก็งอกอแขนขาตีนมืออะไรต่างๆมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเลยเดี๋ยวก็เก็บตรงนั้นเดี๋ยวก็เป็นตรงนี้เดี๋ยวก็เป็นโลกนั้นโลกนี้สารพัดแต่มันจะเป็นนี่ท่านเรียกวา่ารูปไม่เที่ยงรู ป, ปังอนิี้จัง รูปไม่เที่ยงรู ป, ปังอณาตารูปไม่ใช่ตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดไปถือเอาได้ว่านี่ของเรานี่ของเรามันเป็นไปตามอำนาจของมันมันไม่เป็นตามอานาจของเราเราไม่อยากให้มันแก่มันเท่าไม่อยากให้มันเก็บใข้ได้ป่วย ไม่อยากให้มันเป็นนั่นเป็นนี่มันก็เป็นของมันแดีว่ามันไม่อยู่ในอำนาจของเรามันไม่อยู่ในอำนาจของเราเลยนี่แหละให้พิจารณาเห็นความจริงในตัวเราว่าเรานี่ไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดไปต่อไปแล้วก็จะแก่ขึ้นกว่า น, นี้อีกฟันมันก็หลุดก็ล่วง ปวดฟันตาหูก็ฟ้าฟางหูก็เนื้อหนักขึ้นพูดพอดีพอไรไม่ได้ยินน่ยอายุมากมากเหูก็เสียไปพูดง่ายๆว่าตัวของเรานี่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วก็เป็นหน้าตา ไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้ไม่เป็นไปตามอำนาจของเราเราต้องการให้เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องการให้ไม่ให้มันเก็บมันป่วยมันก็เก็บเขาป่วยไม่ให้มันตายมันก็ตายนี่พิจารณาลงมาที่ตัวเราเราเป็นอย่างนั้นแหละ เวทานานิจาเวทานาก็ไม่เที่ยงคือการรับรู้ทางตาทางหูทางแก้วกทางลิ้นทางกายทางใจมันไม่เที่ยงมันไม่เป็นไปตามอานาจของเราเลยกว่ามันเป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราเรียกว่าไม่เที่ยงเป็นอนัตตา สัญญาณิจจาสังขารร่างกายของคนเหล่านี้โดยเฉพาะความจำได้หมายรูเพราะแก่เท่ามาความจำก็เลอะเลือนนั่นมันไม่เที่ยงอีกแล้วความจำจำรูปจำกลิ่นจำเสียงจำรสจำสัมผัสนั่นนี่มันก็ลดลง มันไม่ดีขึ้นใครเป็นอย่างนั้นล่ะตัวเรานี่แหละเป็นอย่างนั้นสังขารสังขาราอนิจจาสังขารก็เป็นของไม่เที่ยงคือความคิดนึกปรูงแต่ง เร่าสังขารมันไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นอนตามันกันหาตัวตวนไม่ได้เลยกอให้พิจารณาลงมาที่ตัวเรามันไม่เทีย่ยงความคิดนึกพรงแต่มมันก็ไม่เทีย่ยง วิญญาณังหน้าตาวิญญาณก็เป็นอนิจจังวิญญาณก็เป็นทุก ข, ขังวิญญาณก็เป็นหน้าตามันเป็นหน้าตาความรู้สึกนึ้คิดความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราเอง ไม่เที่ยงเลยเป็นทุกข์เป็นนาจาไม่มีตัตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปเป็นทั่วการหมดทุกคนไม่ว่าแต่คนแมื่แต่สัตว์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปเหมือนกัน แม้แต่เทพเทวดาก็เหมือนกันเป็นเทวดาตั้งอยู่ในความเป็นเทวดาในที่สุดก็ดับไปจากความเป็นเทวดาคือหมดหมดสภาพที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้ว่าอันนี้เป็นของเราอันนี้เป็นของเราเราถือไม่ได้เลยมันเป็นนีิจังมันเป็นทุกข์ขังมันเป็นหน้าตา มันเป็นอันนี่จังมันเป็นนนัตตาเป็นมดทุกคนนั่นแหละเราจะทำยังไงเราก็ต้องเอาประโยชน์ของเราให้ได้ก่อนก่อนที่มันจะเป็นไปตามอำนาจของมันก็าต้องดูที่ตัวเรา วราตอนนี้กิจของเราสงบหรือไม่ใจเราถึงอาจถึงธรรมหรือไม่รู้แจ้งเห็นจริงหรืออย่างในอริยสัจสี่เราเห็นหรืออย่างถ้าเรายังไม่เห็นก็หมายว่าเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้อีกนับภพบชาติกับกันไม่ถืวน นับไป่ว้วนแต่ถ้าเราเห็นเห็นตามความจริงว่าโอ้ทุกขังอริยสัจจังเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกที่กล่าวมานะเห็นทุก ทุกในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละเห็นชัดในใจของเราอะ่ะเรามีโกมเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแก่ท่ามกลางมีความดับสลายไป็นที่สุดสิ่งเหล่านี้เป็นทุกทุกทุกทุกคนที่เกิดมา จะต้องได้รับถ้ามีเกิดก็ต้องมีแก่ต้องมีเก็บมีตายมีพัดพลากมีจรจากนี่แหละให้พิจารณาลงมาที่ตัวเราเดี๋ยวโอปนญิโกน้อมเข้ามาสู่ใจเรา น้อมก็เป็นพิพจารณาที่ตัวเราโอปัญิิกูคือน้อมสิ่งที่เห็นโดยตาฟังโดยหูดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นสัมผัสทางกายรับรู้อารมณ์ทางใจมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอริยสัตว์มันเป็นความจริงอันประเสริฐ มันเป็นความจริงที่แน่วแน่ถาวรคนเกิดมาได้รับหมดทุกคนพ่อเกิดแล้วแก่เก็บตายมันได้รับกันหมดแหละที่จะไม่ได้รับไม่มีให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวของเรามันเกิดขึ้นอย่างนี้ได้เพราะเหตุใร เพราะความยึดมั่นถือมั่นเพราะความรู้ไม่รู้ความจริงหรือรู้ไม่ทันรู้ไม่ทันการ ม, มาตัณ ห, หาความอยากในการมภาวะตัณหาความอยากในภพวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีไม่เป็น ไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งที่ใจเราไม่ชอบไม่อยากแก่มันก็แก่ไม่อยากเก็บมันก็เก็บไม่อยากตายมันก็ตายไม่อยากพัดพลากมันก็ได้พัดพรากนี่แหละมันเป็นอย่างนี้ให้พิจนาเข้ามาที่ตัวเรา ให้เห็นชัดก็เพราะตัณหานี้เองเพราะการมาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิพัตตัณหานี่แหละมันยังไม่ดับยากใจเราเมื่อมันไม่ดับมันก็ต้องมีทุกข์ถ้ามันดับทุกข์ก็ดับตัณหาดับทุกข์ก็ดับ ต่ตัณหาไม่ดับทกุก็ไม่ดับคำว่าตัณหาในภาษาไทยกับคำว่าตัณหาในพุทธพจน์ของพุทธเจ้านีันต่างกันความเข้าใจของเรากาวตัณหานี่หมายความความรู้สึกทางเพศเท่านั้นมันไม่ใช่เพียงเท่านั้นพ่าพุทธจเจ้าตรัสไว้มันกว้างขวางความมีความเป็นในทุกอย่าง ความเป็นใหญ่ในลาบในยศในสันเสริญในสุขความอยากเหล่านี้แหละกองพลช่างกองพลมากกองพลลบนี่ก็เป็นความอยากแร้วว่าเป็นตัญหาไม่รู้จักจบจากซีดเมือนกัน ให้พิจารณาตัณหาดับนิโรธก็เกิดนิโรธคือความดับทุกข์ดับปัญหาต่างๆของใจดับได้ยังไง ดับได้เพราะดำเนินชีวิตไปตามมรรคมีองค์แปดนีกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นชอบเห็นอะไรก็เห็นทุกกันแหละนั่นแหละเห็นชอบเห็นถูกต้องทาตรองคองทมคนเรียกว่าเห็นชอบ เห็นแจ้งในอริยสัจสีก่ก็กลับมาอีกกลับมาละเยสัจสเห็นแจ้งในอริยสัจสี่คือเห็นทุกข์เห็นสมุทยัยเหตุเกิดทุกข์เห็นนิโรธความดับทุกข์เห็นมรรคคือทางดําเนินไปเพื่อความดับทุกข์เห็นชัดขึ้นมาที่ตัวเรา ธรรมะ 80, 40, แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์มันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่กายมันอยู่ที่ใจของเรานี่เองพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นในตัวเรานี่แหละในกายในใจนี่ให้เห็นชัดลงไปความยึดความถือก็กายใจของเรานี่เป็นผู้ยึดผู้ถือ ผู้สำคัญมั่นหมายผู้ดินน้นรนผู้มีความยากกิเลสก็สายกายนี่แหละอาศัยใจจังไม่หลุดพ้นนี่แหละความโลภ ก, ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีก็าอาศัยกายอาศัยใจน่ะเกิดขึ้น กายดับไปใจดับไปทุกไม่เกิดเลยมีแต่รู้อย่างเดียวไม่มีความยึดมั่นสำคัญหมายในตัวตนเลยที่นาลงกไปอย่างนี้ พิจารณาเข้ามาที่ตัวเรานี่แหลตออะตราที่เรายังหลงยึดยงถืออยู่ความทุกข์ก็ยังมีอยู่ถ้าเราไม่ยึดไม่ถือจะทำไงไม่ยึดไม่ถือก็ต้องปฏิบัติธรรมให้มันถึงถึงธรรมซะก่อนมันจะให้คำตอบแก่เราได้ทันทีแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมยังไม่ถึงธรรม ยังไม่บรรู้มรรคผลมันก็ยังหาหาคำตอบยากอยู่ถึงจะอธิบายดีปัไหนก็ตามหมกยยังหาคำตอบไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกปฏิบัติหัดใจหัดกายของเราให้เกิดความสงบขึ้นโดยเฉพาะใจเราสงบขึ้นใจเรามีอารมณ์เป็นหนึ่ง ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่มากระทบแต่ละครัง้งแต่ละหนุนเราวางได้ไม่เข้าไปยึดถือได้นั่นแหละเราถึงจะรู้ว่าโอ้นี่มันเป็นอย่างนี้ อรระมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีทุกข์ในใจทุกข์ในใจหมดไปทุกข์ในใจสิ้นไปทุกข์ในใจดับไปหมดหมดความเกิดหมดความแก่หมดความเก็บหมดความตาย หมดความพัดพลากหมดความปรารถนาหมดความที่หลายลำพัดหมดความเศร้าโศกนี่ถ้าใจเราเห็นทมแล้วมันหมดหมดกิเลสเรืเอ่อนี้ทั้งทั้งนั้นแหละกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น เข้ามาทำอันตรายใจเราไม่ได้เลยจะให้เกิดความรักมันก็เกิดไม่ได้เพราะกิเลสมันไม่มีในใจจะให้เกิดความชังมันก็เกิดไม่ได้เพราะกิเลสมันไม่มีในใจจะให้เกิดความหลงมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสไม่มีทางใจไม่มีในใจมีแต่ธรรมะในใจ โลภมันก็ไม่เกิดโกรธมันก็ไม่เกิดหลงมันก็ไม่เกิดความยึดความถือความไม่รู้แจ้งเหตุจกิงในธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็เหมือนกันมันไม่เกิดขึ้นมันไม่เกิดขึ้นในใจของเราใจของเรามันวางวางทุกสิ่งทุกอย่างวางมดเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตาหมดเลย เห็นเป็นหน้ตาไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้มันเห็นชัดขึ้นมาหมดใจเห็นชัดแล้วใจไม่หลงแล้วทุกข์จะเกิดขึ้นได้ยังไงทุกข์ใจไม่มีแต่ทุกข์กายมีอยู่กายเก็บนั่นปวดนี่มีอยู่แต่ใจไม่ทุก ใจไม่เป็นทุกข์ใจไม่หลงใจไม่สำคัญมั่นหมายนี่ไล่ไปไล่ไปมันลงที่ใจของเราหมดเลยมันทำไมถึงเกิดทุกข์ก็เพราะมันไม่สงบนี่อะไรไม่สงบใจไม่สงบ ถ้าใจสงบแล้วทุกอย่างสงบหมดใจรู้แจ้งแล้วทุกอย่างรู้แจ้งหมดธรรมะแปด0มืนสีพันมัธรรมขันนี่รวมลงที่กายที่ใจของเหล่านี้รวมลงที่ใจของเรานี้ท่านึง่ว่ามโนบุพังคมามาโนเสทถามโนญญามายามนาสาเจปทุทุเถนะพาสติวากโรติวา ต่โตนังทุกขมันเวติจักกังวะวะหาโตประดังใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจนี่สำเร็จแล้วด้วยใจคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตามก็ที่ใจเมื่อใจชัว่วการกระทำคำพูด ก็ชั่วตามไปด้วยถ้าใจชั่วแล้วการการทำคำพูดก็ชั่วตามไปด้วยนั่นเหมือนรอยเท้าโคผู้เทียมเกียนดันไปดันเกียนไปอยู่เน่เหมือนอล้รอรถรนีลเวียนเน่ มุนไปตามรอยเท้าโคคนเราก็เหมือนกันทุกคนน่แหละมันสำคัญมันสำคัญที่ใจเมื่อชำระใจให้บริสุทธิ์ได้แล้วทุกดาทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถชำระได้หมด มันจะแก้ไขที่ใจให้ใจดับลงดับความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาให้มันดับลงไปมันจะดับได้ก็มันสงบเลยมันถึงดับได้เมื่อมันสงบแล้วปัญญามก็เกิดเมื่อปัญญากเกิดแล้วเขเหมือนแสงสว่างเกิดขอบมืดก็หายไป ความมืดมีอยู่ปกติโลกเราเนี่ก็มืดแต่พอมีแสงอาทิตย์แสงจันทร์แสงดาวจึงทำให้มีแสงสว่างขึ้นใจก็เหมือนกันถ้ากิเลสดับไปแล้วใจนี่ก็ดูแจ้งเห็นจริงสว่างสวัยไม่ไม่ติดขัดอะไรอีกเลย ละได้ถอนได้เทิกได้เพิกได้เอาออกจากใจได้ใจเรากถ็ถึงความสว่างสวัยรู้ชัดเห็นจริงแจ้งพระจับไม่หลงอีกต่อไปไม่ยึดถืออีกต่อไปไม่สําคัญมั่นหมายอีกต่อไปไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นรูปก็ตามเสียงก็ตาม มันสำคัญที่ใจใจเราเข้าไปยึดในรูปคือในตัวในตนยึดตัวเราบ้างยึดตัวเขาบ้างมันถึงเป็นทุกข์ถ้าเราไม่ยึดก็ เ, เพราะใจเราสงบใจเรารู้แจ้งเห็นจริงในยะสัตย์ธรรมคือมันวาง วางความยึดความถือทั้งหมดได้แล้วมาก็ถึงความสุขถึงความสงบถึงความเย็นใจถึงความสบายหายวิตกกังวลไม่มีความเร่าล่อนในใจเราเลยใจเราสว่างสวัยอยู่ตลอดรู้จริงเห็นจริงอยู่ตลอด นี่แหละให้พิจารณาลงมาที่ใจของเราที่กายของเรามันมีเท่านี้แหละทำชั่วก็เพราะกายเพราะวาจาเพราะใจนี่แหละอยากทำชัว่วกบเพราะใจนี่แหละใจมันเห็นชั่วเป็นดี ถ้าเห็นดีเป็นดีแล้วมันก็ไม่ทำในสิ่งที่ชั่วแต่นิจไม่เห็นดีก็าต้องฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขให้มีการรักษาศีลให้มีการนั่งสมาธิให้มีการบำเพ็ญความภาคความเพียรคือสมาธิวิปัสสนาให้เห็นชัด ถ้าใจเราเป็นสมาธิใจเรารู้แจ้งมันก็เห็นชัดความมืดบอดทั้งหลายก็ดับไปหายไปเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นความมืดก็หายไปถ้าอาทิตย์ตกไปความมืดก็เข้ามาแทนที่มันก็มอีอย่างนี้ตลอดอันนั่นเป็นเรื่องของภายนอก แต่เอามาเปรียบกับเราคือตัวเรานี่แหละตัวเรานี่แหละตัวหลงนี่แหละมันสำคัญมันหลงมันถึงมีทุกข์หลงยิดหลงถือว่าตัวของเราตัวของเรา กายของเราใจของเราไม่ได้คิดว่ามันจะแตกสลายตายดับไม่ได้คิดเมื่อไม่ได้คิดมันก็หลงหลงว่ากายนี้ของเราของเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่ อ, อไหร่ไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่ อ, อไหร่ไม่รู้จะอะไรเมื่ อ, อไหร่ไม่รู้ เพราะมันไม่สงบถ้ามันสงบแล้วปัญญามันเกิดเมื่อปัญญาเกิดก็รู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมของพุทธเจ้าตามคำสอนของพุทธเจ้าอันนั้นว่าตามคำธรรมคำสอนพระธรรมคำสอน แต่พระธรรมคำสอนก็น้อมลงมาที่ตัวเรานี่แหละเห็นแก้งในใจนี่แหละเห็นชัดในใจนี่แหละใจเป็นผู้ไม่หลงใจเป็นผู้ไม่มืดไม่บอดมันก็เห็นชัดเห็นชัดได้ความทุกข์เห็นชัดได้ความไม่เที่ยง เห็นชัดในความไม่มีตัวตนนี่แหละพิจารณาลงไปแยกส่วนต่างๆของร่างกายออกจากกันเห็นชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจำไว้สั้นๆว่ารูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือตัวเราที่รู้แจ้งก็มารู้แจ้งในนี้แหละที่ไม่รู้แจ้งก็ไม่รู้แจ้งในสิ่งเหล่านี้แหละทั้งห้าอย่างนี่แหละถ้ารู้แจ้งก็รู้ขึ้นมาในนี้แหละ เห็นเรามันไม่เที่ยงเห็นเรามันเป็นทุกข์เห็นเรามันเป็นอนามันก็เห็นในนี้แหละไม่ใช่เห็นในที่อื่นไม่ใช่เห็นในที่โลกอื่นเขาจะสามารถทำเครื่องไปพิสูจน์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นยังไงยังไงมันสามารถทำได้ แต่ก็ยังไม่เห็นแก้งกิเลสมันก็ยังไม่หมดเห็นโลกนี้โลกอื่นเห็นพรอาทิตย์เห็นพระจันทร์เห็นหมดแต่ใจยังมืดอยู่ถ้าไม่เห็นธรรมถ้าเห็นธรรมใจจึงสว่างถ้าเห็นธรรมใจเราสว่างสวัยขึ้นมาเลย คนเมื่อสว่างสวัยแล้วมีขวกมีหนามเราก็รู้นี่เราก็ไม่ไปเหยียบแต่ถ้ามันมืดแล้วมันเหยียบไปหมดเละมีอะไรอยู่ก็ไม่รู้ลเลยเหยียบกูเห ย, ย, ยียบนั่นเหยียบนี่เหยียบตะเข็บตะขาบอะไรเหยียบได้หมดอยไม่ได้กลัวหรอกคนที่ไม่กลัวบาปกลัวกรรมเพราะอะไรเพราะมันมืด ใจมันมืดใจมันไม่เห็นแสงสว่างใจมันไม่เห็นอาจเห็นธรรมขึ้นมาภายในมันจึงเป็นไปต่างๆถ้าใจมันสว่างแล้วก็มันก็ไม่ไปยึดถืออะไรก็เหมือนกับวันเนี่ยเราก็รู้ว่าอันนี้เป็นหนามอันนี้เป็นผุมไม้อันนี้เป็นกอไม้ อันนี้เป็นถนนที่เดินเราก็สามารถไปตามทางของเราได้ไม่เป็นอันตรายแต่ถ้ามันมืดมันก็เหยียบไปหมดแหละอะไรก็เหยียบไปหมดไม่ว่างูเห่า ง, งูจงอางแหละมันก็เหยียบได้หมดแหละมันไม่รู้นี่เหมือนคนที่ไม่รู้แหละคนที่ไม่เห็นอาจเห็นธรรมคนที่ไม่รู้แจ้งในธรรม ความยึดความถือมันก็มีอยู่อย่างนั้นตลอดทุกมันก็ต้องมีตลอดการเวียนไหว้ตายเกิดในวันแต่สงสารก็มีตลอดไม่มีวันจบวันสิ้นเลยพระพุทธเจ้าถึงได้อธิบายไว้ว่าเอาพ่อเอาแม่เปียบด้วยแผ่นดินและกอหญ้าต้นไม้ต่างที่ว่า เทศให้ฟังมาแล้วนั่นแหละเขาเกิดตายไม่รู้จักจบสิน้นทุกมันก็ทุกล่ำไปทุกเลื่อยไปแต่ถ้าเราเห็นกิงแจ้งประจักษ์แล้วทุกมันก็ไม่เกิดอยากให้มันเกิดมันก็ไม่เกิดมันดับได้แล้วเหมือนไฟนี่เราดับได้แล้วนี่ไปเหยียบมันก็ไม่ร้อน มือไปจับมันก็ไม่ร้อนเพราะมันดับแล้วดับอะไรดับจากกองทุกนันแหละใจเราออกจากกองทุกได้แล้วมันก็มันไปทุกอีกมันเห็นชัดแล้วเห็นชัดเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นประจักษ์ผู้ใดบรรลุสวดาบันก็เห็นจริง 25% บเปเซถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เห็นความจริงเนี่ยเห็นอริยสัจสีเนี่ยิบ์ซ็นท่านจรว่าตกกระแสตกกระแสรพระนิพพานเหมือนแม่น้าหลายๆสายปิ่งวังยมน้านไหลลงที่แม่น้าเจ้าพยาแม่น้าเจ้าพยาก็ไหลออกทะเลก็ไปถึงทะเลหลวงก็กลายเป็นน้ำเค็มหมดเลย นี่แหละสกิทาคามีผู้ใดบรรลุธรรมเป็นพระสกิทาคามีก็เห็นแจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสีน่นี่ทุกสมุทัยนีโลดมากนี่เห็นชัดห้าสิบเปอร์ซนถ้าเห็นแจ้งเห็นชัดขึ้นไปอีกกว่านั้น เป็นพะานาคามีก็เห็นชัดในทุกข์ในความเกิดความแก่ความเก็บความตายความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เห็นชัดเจ 75% สิบ้า์น้ปมันเห็นอริยสัจสี่ชัดเจนถึงเจดเป์ซ เกือบเต็มแล้วเห็นชัดมากความหลงก็มีน้อยเพราะกิเลสมันเบาบางแล้วมันหมดไปแล้วมันหมดไปเกือบหมดแล้วถ้าเป็นผ้ารหารันนั่นก็เห็นชัดหมดเห็นทุกเต็มร0อยเปอร์ซ เห็นความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเก็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เห็นชัดหมดรู้แจ้งรู้จิงหมดมันก็วางได้หมดไม่เข้าไปยึดไปถือเลยจิตใจของเราวางวางความยึดมัน่นถือมั่นได้หมดรู้แจ้งเห็นจริงหมด นี่แหละให้พิจนาเข้ามาที่ตัวเราเดี๋พิจนาไปที่อื่นเห็นเรานี่ก่อนเห็นชัดในตัวเรานี่ก่อนทุกทั้งหลายก็คือตัวเรานี่แหละทุกเหตุเกิดทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละ เพรใจเราหลงนั่นแหละใจเรามืดนั่นแหละมันถึงเกิดทุกข์มันถึงเห็นเหตุเกิดทุกข์ถ้าเราเห็นเหตุเกิดทุกข์แล้วก็ละได้มันก็ดับทุกข์ได้ถ้าละไม่ได้มันก็ดับทุกข์ไม่ได้นีเทศให้ผู้ที่ปฏิบัติฟังที่เป็นคนเก่า ให้สูงขึ้นให้ละเอียดขึ้นให้รู้จริงเห็นชัดแจ้งประจักษ์ขึ้นเพิกถอนความยึดความถือทุกอย่างเราเพิกถอนได้เราละได้เมื่อเราละได้เราก็วางได้ วางอะไรวางรูปวางเวทนาวางสัญญาวางสังขารวางวิญญาณวางได้หมดรูปคือร่างกายก็วางได้เวทนาความรับรับรู้ก็วางได้สัญญาความจำได้หมายรู้ก็วางได้สังขารความคิดนึกผูกแต่งก็วางได้ วิญญาณความรู้แก้งทางตาทางหูทางแก้มูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจเองก็วางได้เมื่อวางได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกก็หมดไปทุกในใจก็ไม่มีถึงทุกในกายมีอยู่ก็ตามแต่ไม่เข้าถึงใจ ไม่เข้าถึงใจเราไม่ได้ตั้งกําหนดไว้หรอกว่าจะอันไหนจะเกิดขึ้นอารมณ์อะไรจะเกิดขึ้นทางตาทางหูตาเกี่ยวกับทางดินทางกายหรือทางใจเองจะเกิดขึ้นวันไหนเวลาไหนเราไม่สามารถกรําหนดรู้ได้กําหนดรู้ไม่ได้เลยว่ามันจะเกิดเช้าสายบ่ายเย็น เมือเ่อใจเร า, ล, าละได้แล้วมันเกิดขึ้นมันก็ไม่กระเทือนถึงใจเกิดขึ้นอยู่เป็นไปได้อยู่แต่ไม่กระเทือนถึงใจใจไม่ได้รับความกระเทือนใจไม่ได้ไปยึดไปถือนี่ ให้รู้ถึงขัน้นนี้มันถึงจะดับทุกได้ถึงจะเป็นพระอาหารหันได้มันวางได้หมดทางตาก็วางได้ทางหูก็วางได้ทางจมูกก็วางได้ทางลิ้นก็วางได้ทางกายก็วางได้ทางใจแม่ใจเองก็วางได้วางอะไร วางความสำคัญมั่นหมายว่าตัวตนว่าเราว่าของของเราเห็นเป็นอนัตตาหมดเลยเห็นเป็นไม่มีตัวมีตนเลยเห็นชัดเห็นชัดขึ้นมาในใจเราเนี่ยมันจะเข้าไปยึดถือได้ไหมยึดถือไม่ได้ดาบเราล้วนมันคมอะ เราจะก็เอามือไปลูดดาบได้เหรือไม่ได้เราเห็นอยู่มันคมเราไปลูดก็าบาดมือเราทุกเราเห็นชัดอยู่เรารู้แจ้งอยู่เราก็ไม่ไปยึดถือเอาได้ไม่ไปยึดไปถือภพของเราชาติของเราการมิร้ายตายเกิดของเรามันก็สั้นเข้าหมดเข้า มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราไม่กลับมาเกิดในชาติอันต่บนี้อีกต่อไปนี่ไม่เป็นสันดิลสานเปรตอสุรกายสันโลกเราไม่ไปเราไม่ไปตั้งแต่ชวดอาบรรนแล้วเราไม่ไปแล้วเราได้ชวัดอาบันนี่มาเกิดในตระกูลสมาธิถิถถถทุกภพทุกชาติมาเกิดในตระกูลสมาธิถินี่ทุกภพทุกชาติได้แหละ เราไม่มาเกิดอีกในพพภูมิอันตน่านี้เราไปสวรรค์ไปพรมโลกไปพระนิพพานแต่พระสวรบัล น, นี่ตกกระแสพระนิพพานนั่นเหมือนแม่น้ำหลายสายไหลรวมลงไปไหลออกสู่ทะเลเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาปิงวางยมน่านไหลามารวมกัน ใจของเราก็เหมือนกันถ้าบรรลุโสดาบรรแล้วต่อไปมันก็ต้องรรลุบรรลุขึ้นไปอีกบรรลุกขึ้นไปเรื่อยๆชาตินี้ไม่บรรลุขึ้นไปอีกชาติต่อไปมันก็ต้องบรรลุขึ้นไปแต่ที่จริงมันไม่จำเป็นต้องไปรอชาติหน้าพบหน้าหรอกถ้าเราปฏิบัติอยู่มันก็ขึ้นไปอยู่ตลอดเวลามันสูวงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นละเอียดขึ้น ดีขึ้นนั่งสมาธิก็ดีขึ้นพิจารณาก็แจ้งชัดขึ้นเห็นความจริงชัดเจนขึ้นจนละเอียดหมดเลยไม่มีความยึดความถือเลเลยอะไรเลยละ่ะเมื่อไม่มีความยึดความถือแล้วเราจะไปสำคัญมั่นหมายอะไรได้ละ่ะสำคัญไม่ได้เลยมันละเอียดแล้วมันหมดแล้วมันถึงที่สุดแลย การเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่มีอวิชชาไม่มีวิชาเกิดขึ้นแก่งชัดเท็นอริยสัจสี่ชัดเจนในตัวแล้วในใจของเราแล้วมันไม่ไปยึดไปถืออะไรภพชาติของเราก็สิ้นไปหมดไปการที่จะเวียนว่ายตายเกิดก็หมดไปการที่จะมีทุกข์อีกอย่างนี้มันก็ไม่มีอีกมันก็เข้าถึงสุขอันแท้จริงนิพพานังปลระบางสุขัง พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นที่เราสุขกันอยู่ในโลกนี่มันไม่ใช่ถึงความสุขในพระนิพพานหรอกเรากิจสกบเราก็เห็นความสุขแล้วแต่ก็ยังไม่เท่าความเห็นแจ้งถึงพระนิพพานพระนิพพานเห็นสุขชัดเจนแจ่มแจ้งในใจท่านยึดแั่ว่านิพพานังปละวางสุขัง พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งการที่เห็นแย้งในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชัดเจนนี่นั่นแหละเราจะเข้าไปหลงในรูปนี้อีกได้ไหมไม่ไปหลงอีกเลยเวทนาละ่ะสัญญาละ่ะสังขารละ่ะวิญญาณละ่ะเราจะไปหลงอีกไหมไม่หลงเลย พอวิญญาณแจ้งชัดแล้วรูกแจ้งชัดแล้วก็ไม่หลงอีกเลยถึงความสิ้นทุกขโดยแท้จริงทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะถือความสิ้นทุกได้มดแต่ช้าหรือเร็วต่างกันผู้ใดปฏิบัติธรรมเห็นธรรม จิตสงบปัญญาเกิดก็เห็นแจ้งในพระนิพพานเมื่อจิตเราถึงพระนิพพานแล้วทุกเราก็หมดไปแล้วเราจะไปยึดถืออะไรไปเราจเจ้าอะไรมาเป็นทุกข์เอาความเกิดมาเป็นทุกข์ก็ไม่ไรไม่เกิดอีกแล้ว เอาความแก่มาเป็นทุกข์ก็ไม่ได้อีกเอาความเก็บมาเป็นทุกข์ก็เป็นอะไรอีกเอาความตายมากําหนดเป็นทุกข์ก็ไม่ได้อี ก, อ ก, น, ก, ก, อกนั่นชัดเจนมากแต่ความชัดแจ้งอันนี้อยู่ที่ใจของเราที่เข้าถึงธรรมแล้วความถึงเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ทุกข์เลยแต่ความเป็นวัสดารันมันยังมีทุกข์อยู่ก็อย่างว่าเน่ย เปอร์เซ็นที่ได้มันยังไม่ถึงไม่ถึงร้อยรู้แจ้งไม่ถึงร้อยนางวิสาขามหาอุปสิกาหลานตายก็ร้องไห้อยู่พระสุรบันฑ์เมีร้องไห้อยู่ยังเป็นห่วงอยู่ยังมีความยึดถืออยู่ว่างนี่ถ้าปฏิบัติธรรมแล้ว มันต้องเห็นธรรมมันต้องรู้แจ้งชัดในธรรมมันจึงหมดปัญหาทุกอย่างผู้เห็นธรรมคือผู้แก้ปัญหาของชีวิตได้ทั้งหมด